พุทธวสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะรายการสันนีสนานาในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นะคะจะเป็นการ ส, สนทนาธรรมกับพระมหาภัยบุญอภิปุนโนโดยดิฉันสันนีรานาพงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการเราพบกันเป็นประจำอย่างนี้มาทางสถานีวิทยุแห่งนี้คือ FM106 รสอทรอครอบครัวข่าวคะ่ะเราก็จะมีความรู้ ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ซึ่งคิดว่าพวกเราทุกคนโดยเฉพาะชาวพุทธเนี่ยนะคะควรจะทราบว่าที่ถูกต้องเนี่ยท่านได้ตรัสเอาไว้อย่างไรบ้างและถ้าได้ศึกษาคําสอนของท่านก็จะได้ทราบเือนว่าการศึกษาการปฏิบัติตามคําสอนของพระาศาสดานั้นต้องมีการปฏิบัติควบคู่กันไปด้วยกับความรู้ทางด้านของธรรมต่างๆนะคะ เราจึงได้มีการขอให้ท่านไผบูรณ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการดิเรกเรนของวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีมีการสอนการปฏิบัติธรรมกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบทุกเดือนที่วัดป่าดอนหายโศกแห่งนั้นมอบความรู้ในการปฏิบัติให้กับพวกเราด้วยในตอนต้นของรายการก่อนที่จะ สนทนาธรรมในหัวข้อต่างๆสืบต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจนะคะเราก็เตรียมตัวกันได้เลยเพราะเมื่อดิฉันพาไปพบกับพระอาจารย์แล้วก็จะนำไปสู่การปฏิบัติกันเลยทีเดียวค่ะกราบน้อมส ก, การะท่านคะเชิญพอนเวลาที่เรามาฟังธรรมเราก็ให้นำธรรมะเนี่ยเข้าสู่ใจของเราเราจะนาธรรมะที่จากหูผ่านเข้ามาในสมอง แล้วลงลึกเข้าไปถึงใจได้ตัวนี้ใจเราจะต้องมีการตั้งสติให้ใจนั้นมีความเป็นตรงตรงมีการตั้งขึ้นอยู่ได้การตั้งสติในที่นี้เครื่องมือที่เราใช้ก็คือใช้ลมหายใจของเราเวลาที่เราฟังที่ฟังได้ยินเสียงนี้อยู่หูเราได้ยินไปใจเราอาจจะใครคิดใคร่ครวนเรื่องราวต่างๆนั้นได้อย่างใดไม่เป็นไรแต่ว่าให้เรามาระลึกรู้ถึงลมหายใจของเรา การที่ราหมยใจของเรามีการเข้าขการออกอยู่อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาการที่เรามาลึกรู้ตรงนี้คือการที่เรามาสังเกตนั่นเองการที่เรามาคอยเฝ้าดูมาเฝ้าดูสังเกตกาหนดมาระลึกถึงเอาใจมาใสเอาไว้คำนี้ต่างก็เป็นคาที่มีความหมายคล้ายกลึงกันคือให้เรามาตั้งสติเอาไว้สตินี้แปลว่าความระลึกได และความที่เราจะระลึกถึงลมหายใจของเราได้เนี่ยเราสามารถทำได้อยู่ในทุกๆขณะเวลาไม่ว่าเราจะขับรถไม่ว่าเราจะนั่งสมาธิหลับตากำลังเดินทางไปไหนเพราะว่าลมหายใจของเรามีอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกยางเป็นธรรมชาติธรรมดานี้เราก็ไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมให้มันสั้นหรือให้มันยาว ไม่ต้องตามลมก็ไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องเร้ไม่ต้องตามลมออกจากท้องมากระบังลมมาที่ปลายจมูกแต่ให้เรามารู้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวและที่สำคัญก็คือเวลาที่เรามารับรู้เนี่ยบางครั้งสัมผัสของลมหายใจนั้นมันแผ่วเบามากแต่หลายคนก็จะมีประสบการณ์นี้ลมหายใจแผ่วเบาลงไปแผ่วเบาลงไปจนเหมือนกับแทบจะสัมผัสลมหายใจไม่ได้เลย นั่นก็เป็นเพราะว่าเวลาที่เรามาสังเกตจิตของเรามาตั้งอยู่นาที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเวลาที่จิตมันมารวมลงรวมลงเนี่ยมันก็จะมีความแหลมคมขึ้นแหลมคมขึ้นมีความเล็กลงเล็กลงทาให้จุดที่เรามาสังเกตลมหายใจนี้มันเล็กลงเพราะจุดที่มาสังเกตลมหายใจเล็กลงเล็กลงก็ทาให้เหมือนมีความรู้สึกว่าสัมปัตที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่มีอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ถูกต้อง พระพุทธเจ้ า, าจึงบอกว่าให้เป็นผู้ที่ทําการปรุงแต่งทางกายให้มีความระงับลมหายใจนี่คือกายของเราพอเราทําการปรุงแต่งทางกายคือลมหายใจนี้ให้ระงับลงระงับลงแล้วอันนี้เราสามารถที่จะก้าวหน้าทําจิตให้สงบต่อไปได้ซึ่งลักษณะาการฝึกตรงนี้เราสามารถทําได้ในตลอดทั้งวันโดยเริ่มจากเวลาเช้าๆเรามาฟังทำมาอย่างนี้แล้วก็ตั้งจิตตั้งสติขึ้น สตินี้จะเป็นกําลังที่จะทําให้ในขณะจิตต่อต่อไปของเราในทั้งวันนั้นสามารถที่จะตั้งสติขึ้นได้รับมือกับปสัสสาวต่างๆที่ผ่านมาได้เช่นปอนท ค, ค่ะท่านฟังที่เคารพคะ่ะท่านขึ้นต้นให้เราแล้วนะคะและท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะปฏิบัติให้ต่อเนื่องไปในระหว่างที่ฟังรายการไปจนจบรายการหรือบางคนอาจจะทําในเวลาใดเวลาหนึ่ง ในแต่ละวันของท่านเองสืบต่อไปก็ด้วยความรู้ในลักษณะนี้นั่นแหละคะ่ะในเรื่องของการสนทนาท่านอาจารย์ที่เคารพคะดิ <c oughs> ฉันเห็นมีคำถาถามของคุณจักกริดนะคะ <c oughs> ซึ่งถามมาในเรื่องที่ดิฉันคิดว่าท่ า, านอาจารอาจะต้องให้ความรู้พื้นฐานกับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆที่ฟังรายการหน่อยเพราะว่าจะเป็นเรื่องของชาญ <c oughs> ในเรื่องของยานในเรื่องของชาญ น, นะคะเอเรียกยานถูกไหมคะลึกๆเนี่ยค่ะชาญลึกๆจริงๆเขาว่าชานใช่คําว่าชอชอกระเชยสละอาแล้วก็นนนเารชาญกับว่าชาญในที่นี้เป็นภาษาบาลีแตาแปลเป็นภาษาไทยก็คือหมายถึงการที่เราเอาใจมาจดจอ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าแปลโดยตรงเลยตามรากศัพท์แล้วก็คือเพ่งนั่นเองเพ่งเข้าไปอ อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ที่ให้เอาใจจดจ่อกับลมหายใจอันนั้นก็ถือว่าเป็นฌานใช่ใช่เพราะนั้นเป็นลักษณะของกิริยาที่เราจะทำการเอาใจจดใจจ่อไว้ใช่พวกเราทุกคนที่ได้ฟังรายการมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้ทดลองปฏิบัตินั้นเท่ากับว่าได้ทดลองเข้าสู่การการปฏิบัติฌานถูกต้องนะคะคือการเพ่งใช่แล้วทีนี้จะได้หรือไม่อันนี้ก็อยู่ที่ทักษะของเราละ อทีนี้คําถามของคุณจากกริชที่ชั้นถามเลยส่วนท่านจะทาให้ผู้ฟังทั้งหมดเข้าใจได้อย่างไรนั้นก็สุดแท้นะคะได้ได้ๆๆคือการแผ่เมตตาในฌานชั้นลึกๆเช่นอากาสานันจายตนะอืมวิญญาณนันจายตนะอือากินจัญญายตนะเชื่อรือยางก็ท่านผู้ฟังว่า <laughs> ฟังดูแล้วดูเหมือนยากทันทีอืท่านถามต่อนะคะว่าในการเข้าฌานชั้นลึกๆ พูดอีกครั้งเพราะภัยราอมากอากาสา n a n j a y a t a n a ญ i n y a n a n j a y a t a n a g i n j a าย a t a n ะญญนะยยนะเราต้องน้อมจิตออกมาที่ปฐมฌานอันมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ก่อนหรือไม่อมเพราะในฌานชั้นลึกๆแล้วจะไม่มีวิตกวิจารณแล้วเราจะน้อมจิตไปในการแผ่เมตตาได้อย่างไรครับโอเคอันดีละขั้นตอนเอาเรื่องของฌานก่อน ในชาญอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายเมื่อสักครู่นี้หมายถึงการเพ่งซึ่งพอแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยมันจะไม่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าบังคับด้วยแต่จริงๆคําว่าชาญในภาษาบาลีตรงนี้เป็นคํากลางๆไม่ได้เป็นบวกหรือเป็นลบถ้าจะใช้คําภาษาไทยให้ถูกก็คือหมายถึงการที่เราเอาใจมาจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นถ้าเราเปรียบเทียบเวลาที่เราใช้เว่นขยายอย่างนี้ ในการที่จะรวมแสงพระอาทิตย์เข้ามาเราก็ต้องปรับจุดโฟกัสให้มันดีถูกไหมเพื่อที่จะให้แสงนี่มันรวมลงที่จุดเดียวลักษณะการปรับตรงเนี้ก็คือการเพ่งชารนคือชาร์นละคุณเอาใจมาจดจ่อยอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวทีนี้นี่คือคือตัวอย่างข้างนอกในเรื่องของการใช้แว่นขยายใช้เลนสน์นูนทีนี้ถ้าจิตของเราใ น, นจิตของเราเนี่ยชารนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่นชารนอยู่ตรงไหน คือชานเนี่ยเกิดขึ้นที่จิตแต่เวลาที่เราจะพยายามจะฝึกทําให้มีชาคือเราเอาใจมาจดจ่ออยู่ที่ใดที่หนึ่งเห็นที่เราทําเมื่อสักครู่ก็คือเอาใจมาจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจทีนี้มันจะเกิดเป็นชานเกิดเป็นแบบมีพลังขึ้นมาได้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราฝึกปรือมีความชํานาญเชี่ยวช่องในเรื่องนี้อย่างไรถ้าจะเปรียบเหมือนกับเด็กที่เขาฝึกกับจักรยานอย่างนี้นะถ้าเพิ่งเริ่มฝึกบางทีมันก็หกล้มบ้าง ไปได้ไม่กี่เมตรก็ลมบ้างแต่ถ้าฝึกคล่องแล้วอาจจะทำความเร็วได้สูงฝึกคล่องขึ้นไปอีกทําท่าทางตีลังกาผ่าพผนต่างๆได้อันนี้คือความจานานของเขาเช่นเดียวกันกันกบจิตของเราที่เราบอกว่าเราบอกว่าเจริญชานแต่คุณเอาใจมาตั้งอยู่ณที่ใดที่หนึ่งแตการที่เอาใจมาตั้งอยู่ณที่ใดที่หนึ่งเนี่ยบางทีมันก็มีที่ที่จะมันจะวิ่งไปคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วมันก็จะวิ่งไปทางรูปคือใจเนี่ยจิตเนี่ยนะ มันจะวิ่งไปสู่รูปผ่านทางตาลักษณะการที่มันวิ่งออกไปคือวิญญาณคือการรับรู้จิตเนี่ยก็จะวิ่งไปหาเสียงผ่านทางหูลักษณะการที่มันวิ่งไปก็คือทาหน้าที่วิญญาณในการรับรู้จิตมันก็จะวิ่งออกไปไปทางสัมผัสทางกายไปทางผลภัผ่านทางสัมผัสทางกายเนี่ยลักษณะการวิ่งออกไปก็เป็นวิญญาณจิตของเราเนี่ยจะวิ่งไปความคิดธรรมารมต่าง ก็ผ่านทางช่องทางคือใจหกนะทางนี้มันจะไปทีนี้ว่าถ้าผมว่าเราสามารถที่จะทาให้จิตขอเราอยู่นาที่เดียวหรืออยู่ในาทีเดียวเครื่องมือที่เราใช้คุณจะใช้อะไรก็ได้พระพุทธเจ้าก็ได้อธิบายถึงกสินก็มีพุทธานุสติก็มีธรรมานุสติอนาปานสติพวกนี้ใช้ได้หมดเลยแต่นะเพราะว่าคนที่มีสัมมาสติเนี่ยจะทำสมาสมาธิให้เกิดกันได้นะชาตินี้เป็นลักษณะของสมาธินะ เราจะทำสมาธิให้เกิดคุณต้องมีสติก่อนแลเรื่องมือที่จะทำสติให้เกิดนั่นก็คืออนุสติ10อย่างไล่มาตั้งแต่พุทธานุสติจนไปถึงบรณสติอาณาปานสติพวกนี้แตนะพอเราทำสติตั้งขึ้นไว้นะจิตใจเนี่ยรวมเป็นอารมณ์ัเดียวตรงนี้แหละก็จะเรียกว่าฌานละเข้าสู่สมาธิละนะขั้นที่หนึ่งนะซึ่งสเปคพระพุทธเจ้า ก, กำหนดเอาไว้ แล้กนะ็บอกว่าถ้าคุณจะเอาใจคุณมารวมเป็นอย่างหนึ่งเลยเนี่ยรนะดับที่หนึ่งเลยมันจะต้องไม่มีอคุโสธรรมทั้งหลายความคิดทั้งหลายที่เป็นอคุศสธรรมจะต้องไม่มีนะรพระพุทธเจ้าชัยกมวัตสงัดจากกามสงัดจากอกุโสธรรมทั้งหลายแล้วนะคว่าอคุโสธรรมทั้งหลายก็คือความคิดในทางการปยาบาติเบียดเบียนเรื่องที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเรื่องที่เป็นผิดศีลทั้งหลายแหละแต่จิตใจมันไม่ไปคล้องแว้ตรงนั้นล่ะไม่มีอยู่ตรงนั้นละ จะมีก็จะมีแต่วิถากวิจัยความคิดนึกที่เป็นไปในทางคําพูดที่จะเป็นเรื่องที่เป็นกุศล น, น, นี้คือกั้นที่1แต่แน่นอนนะต้องมีปีติ ด, ด้วยมีสุขด้วยอันนี้คือรายละเอียดที่ต้องเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่มีแป๊ะแป๊ะป๊อปๆจะต้องมีช น, นิดที่เรียกว่ า, าทั่วทั้งตัวแล้วก็ตรงนี้เป็นรายละเอียดซึ่งคนก็จะทําได้ละเอียดมากน้อยไม่เท่ากันนี่นคือกันที่1 น, นะทีนี้ถ้าบอกว่าจิตของเราเนี่ย สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเราจะพบว่าเวลาที่เราอยู่ในฌานที่หนึ่งนั่งสมาธิเนี่ยถ้าสิ่งของเราอยู่ในขณะนั้นจริงๆเนี่ยาทาชำนาญแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีมันเกิดอาพาธขึ้นคือความที่บางทีมันก็ไปคิดเรื่องที่ไม่ดีบ้างอายกตัว อ, อย่างง่ายๆเช่นาบางที เ, เราคิดเรื่องงานบุญงานกุศลแมมชันจะไปทอดกรถิ่นวัดนี้ปีที่แล้วไปวัดนั้นมาดีจังเลยเออแต่ว่าแหมไปเจอคนนั้นมันไม่ชอบหน้ามันเลยมันจะแบบ แวบๆนิดนึง่งไปความคิดเรื่องที่มันไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้จึงเป็นอาพาธของสมาธิประเภทนี้พระพุทธเจ้าก็จึงบอกที่เหนือกว่ามีอยู่ น, ะนะคือการที่เราจะออกจากอาพาธว่าเฮ้ย ใ, ใช้วส่คิดเรื่องดีๆแล้วนะแต่บางทีบางครั้งมันก็มีความคิดเรื่องที่มันไม่ดีเกิดขึ้นเอางี้แล้วกันอย่าไปคิดมันเลยโยนความคิดทั้งหมดในทิ้งไปแก็วิจตกวิจารณไม่เอาก็คือเป็นเลื่อนเป็นสมาธิขั้นที่2องละ เราเพ่งให้มันละเอียดลงมาคือไม่ใช่บัตคิดนั่นนี่โนทนทั่วๆไปถึงแม้จะเป็นเรื่องดีก็ตามแต่เราเรื่องเดียวหราเรื่องเดียวตรงนี้คือใจเนี่ยเป็นเอกเป็นสมาธิเกิดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ละนี่คือในการที่2องทีนี้ในในการที่เราพยายามที่จะไม่คิดแต่บางคนเนี่ยมีลักษณะว่าจะทิ้งความคิดทิ้งความคิดใช่ไหมที <ๆ S 1> นี้ในลักษณะที่ว่าคุณจะทิ้งความคิดทิ้งความคิดเนี่ยบางทีมันก็มีความคิดเกิดขึ้น ฉันทิ้งความคิดได้แล้วน่ะแมฉันก็สบายอยู่แล้วแต่เดี๋ยวปุ๊บมันดีมันแวบไปคิดแต่คิดเรื่องดีๆก็ตามนะคิดเรื่องดีๆนี่ก็ถึงว่าดีนะแต่นี้ฉันบอกว่าฉันจะไม่คิดแล้วเนี่ยฉันทําได้แล้วฉันอยู่สบายแล้วโดยการไม่คิดแต่มันมีวับๆแวบๆไปคิดบ้างไอ้ตรงนี้จึงเป็นอาพาธของสมาธิขั้นที่2องชั้นสองตรงนี้พระพุทธเจ้าก็จึงแนะนำว่าเอาทั้งนั้นขั้นที่สูงกว่ามีนะอ่าก็คืออุเบกขาเนี่ยคือแทนที่เอาใจมาอยู่เรื่องเดียว ไม่เอาเรื่องอื่นทั้งสิ้นนะเอาอุเบกขาอย่างเดียวเดีจะมีความคิดอะไรขึ้นมาไม่สนใจเอาที่ความวางเฉยจะมีเสียงลมเสียงเพื่อนบ้านกินอาหารเดินทางอะไรเอาใจให้มันวางเฉยซะแต่ซึ่งความวางเฉยตรงนี้คืออุเบกขาในความอุเบกข า, าทีนี้ในขณะที่เราพยายามที่จะทำิจที่มีความวางเฉยมีอุเบกขาเนี่ยบางทีก็ไปอยู่ในอารมณ์อื่นมีปิติมีสุขบ้างบางทีมันเข้ามาปะปน ซึ่งนี้ก็จะเป็นอ า, าพาธของคนที่มีอุเบกขาอยู่แต่บําเพ็เจ้าก็จึงแนะนําว่างั้นมันจะมีอุเบกขาชนิดที่เป็นอุเบกขาล้วนๆไม่มีความสุกป้นอันนี้คือฌานที่4ี่แต่สิ่งที่จะมากําลังไล่มาเนี่คือฌาน12ึ่และนี่คือลักษณะที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วแ ล, แล้วถ้าจากนี้ไปก็คือเรื่องที่คุณจั ก, กริดเนี่ยถามมาตรงนี้แหละก็คือฌานที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปก็เรียกว่ารูป รูปขั้นอารูปล่ะคือไม่ได้อยู่ในรูปไม่ได้อาศัยรูปในการที่จะทําสมาธิให้เกิดขึ้นสมาธ่พระพุทธเจ้าใ ช, าชาก้ก็อันแรกก็คืออากาสารนิจจายตนะคือคําเนี้หมายความว่าการทําในใจซึ่งอากาศไม่มีที่สิ้นสุดอากาศไม่มีที่สิ้นสุดก็คือไม่ได้เพ่งอะไรแล้วมันไม่มีอะไรให้เพ่งแล้วนั่นก็คือทําใจให้ว่างๆซึ่งตัวนี้ก็เป็นสมาธิขั้นสูงบ่ายนะไม่มีละไอ้เรื่องที่เป็นอุเบกขา อะไรที่จะเกี่ยวเนื่องด้วยทางกายไม่มีละเป็นเรื่องของรูปสัญญากขาสูงขึ้นไปอากาศสาร น, นจัยยตนะนะศัพท์คำนี้มาจาก2อ อ, อันคืออยิยตนะอยิยตนะกับอากาศสานันจาซึ่งคืออากาศนั่นเองการทําในใจซึ่งอากาศทีนี้เราจะควา ม, มว่างๆนั่นเองเราจะไปรับรู้ตรงนี้ได้มันต้องมีอยิยตนะอีกอันหนึ่งที่เป็นมันมันเกิดขึ้นมาจากการที่จิตเรามีสมาธิ ขั้นที่มีอุเบกขาโดยไม่มีความสุขแล้วคือฌานสี่แล้วทีนี้สูงขึ้นไปจากอากาสารนันใจยตนะนั่นะก็คือวิญญาณนันใจยตนะคํานี้หมายถึงการที่ทำในใจว่าวิญญาณเนี่ยก็ไม่มีนะวิญญาณเนี่ยหมายถึงผู้ที่เข้าไปรับรู้อันนี้ก็คือสูงขึ้นไปอีกนะสูงขึ้นไปกรรมะอากินจัญญายตนะก็คืออะไรอะไรก็ไม่มีนั่นก็คือสูงขึ้นไปอีกแเป็นขั้นของอรูปสัญญาสมาบัติสูงขึ้นไป ทีนี้ในคำถามของคุณจกักกิจนะซึ่งถามว่าแล้วในขณะที่เราเจริญสมาธิเนี่ยพวกนี้จะสามารถแผ่เมตตาได้หรือไม่นคำตอบในที่นี้สามารถทำได้เพราะว่ามีพระสูตรที่พระพรุทธเจ้าได้อธิบายถึงเรื่องของฌานทั้งแปดแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อที่ทำให้เกิดบรมิหารทั้งสี่คือเมตตากรุณามุมิตาอุเบกขามีอยู่ตรง น, นี้ก็จึงต้องทาความเข้าใจต่อไปว่า บางคนจะคิดว่าไอ้ความว่าเมตตาเจริญเมตตาเจริญกรุณาเจริญมุทิตาเจริญอุเบกขาเนี่ยหมายถึงว่าคุณต้องคิดย่งต้องเป็นคําพูดอย่างที่เราพูดพูดกันสเปสตาสดาโห้นตุอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่เป็นวิโตกวิจารณ์เป็นคําพูดนะเป็นวจีสังขารเพราะฉะนั้นการที่เราเจริญปรเมหันสมีเมตตาเป็นต้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีคําพูดก็ได้คือจิตมีสภาวะเป็นแบบนี้จิตมีเมตตาเช่น อายตัวอย่างเช่นแม่อย่างเงี้ก็ตามอ่ะแม่ของคนที่เป็นชาวฝรั่งเศสแม่ของคนที่เป็นชาวไทยแม่ของคนที่เป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะรักลูกเหมือนกันโดยที่ไม่ได้ต้องพูดเป็นคําภาษาเขาแต่ว่าจิตใจที่มีอารมณ์แบบเนี้ยโดยความรักความเมตตาอย่างเงี้ยอันนี้คือมันเกินคําพูดขินไปหลังลักษณะจิตเนี้ยสามารถที่จะส่งไปได้ทํำไมถึงสามารถส่งได้เพราะว่ากําลังของสมาธิแล้วคือมันเหมือนเป็นเครื่องส่งนะคุณโยมติวนะ คือถ้าเสาส่งอย่างรายการวิทยวเนี่ยมีกําลังส่งสูงนะ่ยมันก็จะส่งไปได้ไกลคุณจะส่งอะไรอ่ะคุณส่งไปได้ทั้งหมดเลยนะในที่นี้เรากำลงพูดถึงกระแสความรักความเมตตาส่งไปไหนสษารพัดทั้งหลายเนะ่ยที่อยู่ที่ไหนบ้างด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเบื้องบนเบื้องล่า ง, า ง, า ง, างทั่วทุต่างขอให้มีอะไรให้มีความสุขนะให้มีอะไรให้พ้นจากทุกนะให้มีความสบายใจให้มีความพ้นจากโรคภัยพวกนีนะ้ส่งด้วยกําลังสมาธิ ยิ่งสูงเนี่ยมันยิ่งได้ผลเอ็บด้นสมาธิที่สูงขึ้นไปก็คือขั้นอารูปฌานอย่างที่พูดเมื่อสักครูน่นี้ได้แ น, น่นอนอันนี้มีพุทธพจน์ที่ยืนยันอยู่ค่ะอแต่ว่าไม่ต้องน้อมจิตออกมาถูกไหมคะไม่จําเป็นไม่จําเป็ น, ไ ม, ปนไม่ต้องทําอย่างนั้นเพราะคําถามของคุณจักรกิศเนะี่ยถามว่าต้องน้อมจิตออกมาหรือไม่คําตอบคือไม่จําเป็นแต่ว่าขอให้รู้ว่าในฌานแบบอารูปซึ่งเป็นขั้นสูงนี้การแผ่เมตตาจะได้ผลมากกว่า ขันรูปฌปานถูกต้องค่ะท่านคะทีนี้ก็คิดว่าอยากทราบนะคะอย่างกับที่เราได้ศึกษาว่ามรรคแปดเนี่ยจะมีเรื่องสัมมาสติกับสัมมาสมาธิทีนี้ในสิ่งที่กำลังกราบเรียนถามท่านอยู่เนะี่ยจะไปปรากฏอยู่ในสัมมาสมาธิแต่สัมมาสมาธินั้นได้พูดถึงสมาธิสีขั้นคือขั้นปฐมฌานทุติยตติยจตุถะ นะคะก็คือชันหนึ่งชันสองชั้า 3, ชั้นสี่แต่ปรากฏเป็นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะอันนี้เป็นฌานที่ต่อๆไปหรือไม่แล้วไม่เห็น<ม>พระพุทธองค์บัญญัติไว้เลยเออในนั้นค่ะถูกต้องอันนี้เป็นฌานที่ต่อต่อไปคือคถ้าจากขั้น4ี่ขึ้นไปฌาน4ี่ก็เป็นขั้นอากาสารัญจายตนะออถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่ตรัสต่อไปขึ้นนี้คือตรัสตัวย่อ อย่างที่พระบุทธาได้อธิบายถึงเรื่องของสมาธิในมรรคแมาจบที่ชาน4นะซึ่งอันนี้คือโดยย่อแต่ถ้าจะขยายออกไปถึงชาน8ได้ขยายออกไปอีกถึงขั้น9ก็มนะีอันนี้คือพูดโดยย่อนะงั้นแล้วจริงๆถ้าเราจะพูดให้มันยอดลงไปอีกก็ได้เอาแค่ชา้น1ก็พอแต่ฌานหนเพราะว่าอะไรเพราะว่าชานนเนี่ยก็เป็นบาดฐานของการที่จะทำนิโรธ คือทําตันหายดับไปได้อยู่แล้วแแค่ชั้นหนึ่งก็ได้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าอธิบายชั้นหนึ่งสองสามสี่เพื่อให้มันมันครบถ้วนกระบวนวามมีความเข้าใจได้เแล้วทําไมไม่ต่อไปให้หมดก็เอาย่อๆแค่นี้ได้่คะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นตัวอรูปฌานคือชั้นทั้งสามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ก็ยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัมมาสมาธิไม่ได้ออกไปอยู่ข้างนอกนะคะไม่เป็นอย่างนั้นถูกต้องค่ะดิฉันเข้าใจว่า อันนั้นไม่ต้องทําเกินไปถึงขนาดนั้นก็ได้แค่ได้รูปฌานก็พอแล้วเพราะพระพุทธองค์ไม่ได้บัญญัติไว้ในสัมมา ส, สมาธิแต่ฟังจากท่านอาจารย์นี่ก็คือแค่ปฐมฌานก็ได้แล้วก็ได้แล้ว ใ, วใช่ค่ะทีะนี้นี่เป็นเรื่องของของความสามารถในของแต่ละบุคคลด้วยนะถ้าถ้าเราจะพูดถึงว่ายอย่างท่านพระชายดุรท่านประมหามรรณเนี่ยฌานพวกนี้ท่านได้หมดเลยก็คือมีความละเอียดรอบคอบมีความเข้าใจอย่างสูงเป็นความสามารถของท่านของท่านนี่ค่ะดังนั้นถ้าดิฉันจะ สรุปอย่างนี้ได้ไหมคะเผื่อว่าท่านผู้ฟังจะเป็นแบบที่พี่ๆบางคนจะมาคุยกับที่านว่าตัวเองเนี่ยยังคิดว่าไม่หลุดจากปฐมฌานเลยชักเท้าก็ต้องบอกกับท่านผฟังทั้งหลายว่าในสัมมาสมาธินั้นมันจะมีโอกาสที่จะไปได้ถึงฌานที่สี่บวกกับอีกสามฌานซึ่งเป็นอรูปฌานในคนที่มีความสามารถยิ่งๆขึ้นไปได้ แต่หากความสามารถของท่านแม้เพียงอยู่ในขั้นปฐมฌานก็ถือว่าได้เข้าข่ายของการที่ท่านได้เจริญสัมมาสมาธิได้แล้วถูกต้องถูกต้องอ่ะะันนี้ถูกต้องเข้าใจถูกต้องอ่ทีนี้เรื่องบทเพียรชนะจะมาจะทำให้มันเนียบนิดหนึ่งนะค่ที่ที่พูดถึงรูปสัญญาขึ้นไปเนี่ยมีอยู่สี่ขั้นค็คืออาการนัญจาชนะกินจัญญาชนะวิญญาณัญญาตนะ แล้วก็ในวัฏสงายนานสัญญายาตนะนี้คือมีอยู่4ีขั้นนะสับๆมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ขั้นที่9ก้ขั้นที่9ก็คือสัญญาเวทายตานิโรธนะอ่ะตัวนี้คือคือ9้าขั้นทั้งหมดนี่คือสมาธิเต็มที่เลยพระเจ้าอธิบายรายละเอียดในเรื่องนี้อยู่ในสามัญญผลสูตรอธิบายตๆมาอันนี้ก็คืออย่างไรก็ตาม4ีขั้นก็สบายสาๆอย่างไรก็ตามเอาขั้นแรกขั้นเดียวก็ได้นะทีนี้นี่คือทําทําใจให้บรรลุได้ ท, นทีนี้ตรงหนึ่งว่าแล้วถ้าขั้นที่หนึ่งอ่ะโอ้โหบางทีมันก็ยังยากสําหรับบางคน<ช>ขั้นที่หนึ่งเนี่ยขอแค่รัดนิ้วมือเดียวแล้วถ้าองค์ประกอบทุกอย่างเหมาะสมนะคุณก็บรรลุได้ไม่ใช่ว่าจะต้องแบบใดเป็นมาธรรมาสิ ป, ปีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าจังหวะที่คนเราจะบรรลุเนี่ยมันแค่รัดนิ้วมือเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าอาการของปฐมฌาน ที่ยังมีวิตกวิจาร์คือยังมีความคิดอยู่แต่ไม่มีการพยาบาทเบียดเบียนคิดแต่ในทางกุศลแลวมีปิติและสุขด้วยถูกัหมคะใช่อันนี้ถือว่ามีแค่นิดเดียวช่วงสั้นๆใช่ช่วงสั้นๆเพราะบางคนเคยพูดนะคะบอกว่าตั้งแต่ปฏิบัติมาเนี่ยแม้มันมาวาบเดียวแล้วหายไปเลยเนี่ยกูไม่กลับอีกเลย <laughs> หลังจากนั้นก็มีดิฉันเคยได้ยินนะคะ แต่ขณะนั้นถ้าทําทจิตถูกต้องอย่างที่ท่านว่าก็สามารถบรรลุทำได้คือทําเช่นไรล่ะอย่างไรเรียกว่าถูกต้องนี่คือคําถามที่ตรงจุดปไปเลยคือตอกตรงหัวตะปูเลยยังไงที่ว่าฉันทําได้แป๊บเดียวแล้วมันยังไงถึงจะถูกต้องคุณต้องมีสัมมาทิฏฐิด้วยคุณต้องมีสัมมาสติด้วยศีลของคุณทำมาดีอย่างไรนนี้คือมันต้องอยู่ในนี้ให้หมดเลยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระพุทธเจ้าใช้สัพว่ามักคะสมังคี ขอแค่เว็บเดียวถ้ามาร์กทั้งหมดมันสามารถคีรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเนี่ยมันปุ๊บทันทีไม่ต้องพูดกันยากอ๋อเมื่อกี้ท่านพูดแค่เพียงสัมมาทิฏฐิสัมมาสติลไลไปหมดเลยเนจนถึงสา ม, มาสมาธิใช่รวมแล้วให้ได้แปดมาร์กถูกต้งองแปดองค์นะคะถูกตองอริมารคมีองค์แปดตั้งแต่ทิฏฐิสังกัปปวาจากัมมันตะอาชีววายามะสติสอืมครบทวน ถูกต้อง ท, ทีนี้ว่าสมาธิเนี่ยสมมติเราได้อยู่แล้วสมาธิมันได้แล้วทีนี้คนที่ได้สมาธิอยู่แล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสาวกอย่างเช่นท่านพระพายะอย่างเงี้ยโอ้โหท่านได้ฌานแปดมาตั้งแต่ก่อนที่จะมาเจอพระพุทธเจ้ า, าอีกแต่คนที่มีกําลังจิตแบบนี้เนี่ยพอพ อ, พอแบบเขียนนิดเดียวนะคือให้เห็นนีดเดียวปรับทิฏฐินิดเดียวปุ๊บมันโอ้โหเข้าใจแบบบรรลุได้ทันทีแต่คือมีความเข้าใจที่ถูกต้องทันทีเพราะฉะนั้นผู้ที่เคยฝึกปฏิบัติมาอยู่เรื่อยๆเนี่ย เราสั่งสมความสามารถตรงนี้มามันจะเป็นแค่จุดเดียวเท่านั้นแหะที่ว่าโอ้ยถูกนะแล้วแหมฉันเข้าใจอย่างนี้หรือวางลงไปอย่างนี้แต่เขาก็จะคือมีอินทรีย์แก่กล้าใ น, นจุดนั้นก็สามารถที่จะก้าวหน้าในการปฏิบัติได้ทีนี้ถ้าเราจินตนาการตามความต้องการปัญหาก่อนนะคะอของคนที่เป็นผู้ปฏิบัตินะคะก็ยังมีความอยากอ ย, กอยู่ที่จะปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นแม้ขึ้นบันไดขั้นที่หนึ่งปฐมฌานแล้วยังไงก็อยากเข้าสู่ ชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่แล้วถ้าไปอารูปฌานได้ยิ่งถ้าไปได้ครบทั้งเก้าไปจบที่สัญญาเวทยิตตนิโรธใช่ไหมคะใช่ก็รู้สึกดีดีดแน่ อ, อยากจะกราบเรียนถามท่านว่าพัฒนาการจากปฐมฌานไปสู่ฌานที่สองซึ่งปีติและสุขจะจะยังคงอยู่แตว่วิตกวิจารหายไปใชไป่ไหมคะ อย่างเงี้ยเป็นพัฒนาการโดยธรรมชาติของการปฏิบัติของเราหรือว่าเราต้องน้อมจิตไปว่าฉันไม่เอาเธอละวิตกวิจารมันมันจะต้องมีกระบวนการการฝึกนะค่ะ ค, คือหมายความว่าบางคนก็ทําได้ดีโดยธรรมชาติของเขาเขาทําธรรมชาติเขาเขามีความสามารถนี้เขาก็ทําได้ค่ะเหมือนเราฝึกซ้อมกีฬาเนี่ยแหละนะถ้าสมมติว่าเราฝึกซ้อมโดยไม่มีโคช้ชบางทีเราก็ทำทำมันก็ฟุกได้ก็มีแต่ถ้ามีโคช้ชมีแบบแผนที่แน่นอนเนี่ยระเบียบขั้นตอนการฝึกมันก็จะค่อนค่อนข้างที่จะดี นะซึ่งระเบียบขั้นตอนการฝึกที่พระพุทธเจาแนะนำํำท่านได้ยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยเหมือนกับแม่โคภู้เขาโคภู้เขาเนี่ยนะที่เขาอยู่บนภูเขาเนี่ยเขามีความเห็นว่าฉันกินหญ้า ก, กินน้ําแถวภูเขาลูกนี้แล้วจะไปกินหญ้า ก, กินน้ำพื้นที่ภูเขาลูกใหม่ในวิธีการที่แม่โคตัว น, นี้เขาจะทําก็คือว่าเขาก็จะยืนในที่ที่ที่เขายือนอยู่เนี่ยให้มั่นคงซะก่อนแล้วก็ก้าวเท้าหน้าไปแล้ว ก, ก้าวเท้าหน้าไป ในขณะที่ก้าวเท้าหน้าไปเนี่ยก็พยายามที่จะย่างลงให้มันได้มั่นคงก่อนจึงก็ ย, ยกเท้าหลังขึ้นจึงก็ ย, ยกเท้าหลังขึ้นแล้วเขาก็จะไปได้หรือถ้าถาในทางที่มันไม่ดีเนี่ยนะไม่ได้นี่ก็คือว่าตัวเองยืนอยู่ก็ยังไม่มั่นคงยกเท้าก้าวเท้าหน้าไปเหยียบลงไปก็ไม่มั่นคงจะยกเท้าหลังขึ้นก็ไม่ได้ก็คว่คําลงตรงนั้นเนะื้อหญ้าน้ําที่ใหม่ก็ไม่ได้กินที่เก่าก็อดไปด้วยนะที่แล้วที่ดีที่ถูกต้องเนะปรียบเทียบอย่างที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ย เปรียบเหมือนกับอะไรแล้วก็เปรียบเหมือนกับฌานสมาธิที่เราเข้าทําให้ได้ให้มีความมั่นคงให้มีความชํานาญถ้ายังไงถึงเรียก ว, ว่ามีความมั่นคงชํานาญเอาแค่ฌานที่1นเนี่ยมีวิตกวิจาร์คือบางคนเนี่ยก้าวข้ามเร็วไปนะคุณหยุ่มติ๋บอกว่าฉันจะทิ้งความคิดอย่างเดียวทิ้งความคิดทิ้งความคิดแต่ว่าทิ้งความคิดนี่มันขั้นที่2นะแล้วคุณทําขั้นที่1ชํานาญหรือยังเถอะคุณรู้ไหมว่าในความคิดแบบไหนมันดีไม่ดีอย่างงี้ไปต่อนะถ้าคุณยังททททํํําาาาาาคคววมมิดันนนนีี่่่่1ไไชแลจะป2เ มันก็จะเหมือนกับแม่โคภูเขาที่แบบก้าวเท้าไม่ยังไม่เที่ยงนะแ้ว <Okay. S 1> ถามว่ายังไงเรียกว่าชํานาญในขั้นที่1น่งขั้นที่1คือเราต้อง <Okay. S 1> รู้ว่าอะไรคือวิถกวิจารณ์ที่มันเป็นกุศลอกุศลอะไรคือปีติอะไรคือสุขเราต้องรู้ว่าที่มันเกิดทั่วตัวเนี่ยตอนไหนมันไม่ทั่วตัวเนี่ยเป็นยังไงเราจะต้องรู้ว่า เ, เหตุคือข้อดีของมันคืออะไรข้อเสียของมันคืออะไรคําว่าข้อดีข้อเสียนี่คือเราไล่มาตั้งแต่ข้อดีของกามกันเลยนะ คือคือที่มันต่ำลงไปกว่าชั้นหนึ่งเนี่ยคือความสุขที่เกิดในกามคุณต้องเห็นข้อดีของของมันด้วยต้องเห็นข้อเสียของกามด้วยเราถึงขึ้นมาอยู่ในชั้นที่1ได้พอเรามาอยู่ในชั้นที่1เห็นข้อดีของชั้นที่1เออดีฮะทำให้ชํานาญในการเข้าการดํารงอยู่การออกฟังฟังให้ดีครั้งหนึ่งนะเราต้องเห็นข้อดีข้อเสียของมันนะคือประโยชน์และโทษของมันไล่มันตั้งแต่ที่ต่ำกว่าเลยคือเรื่องของกาม <So> แ, แล้วเราต้องฉลาดในการเข้าฉลาดในการดํารงอยู่ฉลาดในการออก รู้องค์ประกอบทั้ง4ี่อย่างของมันวิโตวิชานปีติสุขแนะี่ทั่วตัวไม่ทั่วตัวอะไรเป็นอคุศนอะไรไม่เป็นอกุศนเะนี่ยชำนาญแล้วรู้ข้อดีของมันด้วยเนะีข้อดีของฌานที่1รู้ข้อเสียของมันด้วยข้อเสียของฌานที่หนึ่งแล้วมีอะไรเสร็จปุ๊บนี่แหละถึงแล้วคุณชานาญแล้วนะค่ะแล้วคุณถึงจะก็เอามันมีข้อเสียนี่จะไปเอาทําไมไปเอาเราก็ต้องให้เห็นข้อดีของฌานที่สอง รเราถึงจะข้ามไปชั้นที่สองได้ท่านคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยดิฉันก็ดูว่าเวลาเหลือไม่มากในขณะที่ท่านบอกว่าปฐมฌานก็เพียงพอแล้วอืมอ่าช่วยกรุณาบอกให้ละเอียดไปเลยได้ไหมคะที่ว่าเออเรารู้รายละเอียดของปฐมฌานนั่งที่ท่านได้กล่าวมาแล้วบบ น, นั้นเป็นอย่างไรบ้างรู้อย่างไรถึงจะใช่คะโอเคอย่างสมมติการเข้าอ่ะยังไงถึงได้ว่าเป็นผู้ฉลาดในการเข้า คือคุณจะต้องรู้องค์ประกอบต่างๆว่ามันเกิดขึ้นมีสติสัมปชัญญะโอ้นี่กุศลธรรมมันดับไปแล้วโอ้นี่เป็นวิถวกวิชัยความคิดที่เป็นเบญธรรมกุศลธรรมมันเกิดขึ้นแล้วอันนี้คือฉลาดในการเข้าล่ะปีติสุขเกิดขึ้นแล้วอันนี้คือคุณฉลาดในการเข้าล่ะในเรื่องของการดํารงอยู่แต่การดํารงอยู่ก็คือว่าเราให้มีสติสัมปชัญญะเห็นสิ่งนั้นอยู่เกิดขึ้นทั่วตัวไม่ทั่วตัวอย่างไรอันนี้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดในเรื่องของการออก การออกก็คือเห็นโทษเห็นโทษของวิถตวิจาร์เห็นโทษของวิตโตวิจาร์ซึ่งบางทีมันทําโทษคือความคิดในทางที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นมาอันนี้คือเราจะเป็นผู้ฉลาดในการออกครับค่ะทีนี้ถ้าสมมุติเกิดเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรานะับเป็นผู้ปัญญาดีหรือปัญญาไม่ดีนะคะไม่ค่อยแน่ใจว่าเราเข้าใจถูกรหรือเปล่าว่า น, นี่คือปิติและสุขอืมเราเข้าใจถูกรหรือเปล่าว่าเกิดทั่วตัวหรือเปล่าอืมนะคะ แล้วก็ออย่างนี้แล้วโทษของมันคืออะไรเนี่ยดูไม่ออกสมมุติเป็นอย่างเนี้ค่ะท่านคะสมมุติเป็นอย่างนี้ใ <laughs> บ้ใบให้หน่อยได้ไหมคะแล้วแล้วคือถามว่าจิตพอที่จะเป็นสมาธินั่นเองคือคือยังไม่ได้ว่าคมฉลาดในเรื่องสมาธิแต่ว่าเราสามารถที่จะน้อมจิตไปเห็นถึงความไม่เที่ยงได้อันนี้คือสําคัญนเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางกลายเห็นความดับไปของอะไรก็ของไอความคิดที่เราเห็นอยู่นั่นน่ะ ของความรู้สึกอะไรที่เราเข้าไปรับรู้อยู่นั่นแหละของเรื่องอะไรที่เรากำลังคิดอยู่นั่นแหละให้เห็นตรงเนี้ยถามว่าคุณจะเห็นได้ไงจิตมันต้องมีกําลังสมาธิมากเท่าไหร่ก็พอที่มันจะเห็นได้เอาตรงนั้นตรงนี้มันคือจะแบบแค่ลักนิ้วมือเดียวนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือคําตอบนะนะคะท่านฟังว่าข้อไม่ดีของมันเนี่ยเราก็ต้องพยายามทําให้กําลังสมาธิเรามีมากพอที่จะเห็นความไม่เที่ยงถูกไหมคะที่ผ่านอันนี้เป็นวิธีพิจารณาตามธรรมใช่ ถูกต้องถูกต้องแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ความเห็นตรงนี้ที่เกิดจากสมาธิที่เรามีเห็นถูกต้องแล้วในจิตมันจะมีความหนายคลายกันหมดแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางในขันธั้งห้าได้เลยตรงนั้นเช่ไหมค่ะนะคะสาธุค่ะพอดีดูเวลาแล้วดิฉันก็คิดว่าครอบคลุ่มทีเดียวนะคะสำหรับการลงไปในรายละเอียดของปฐมฌานเผื่อผู้ที่ยังไม่แน่ใจว่าจากการที่ปฏิบัติอยู่เนี่ย ถูกหรือไม่ควรจะปฏิบัติอย่างไรที่จะให้ถูกมากขึ้นก็ได้เข้าใจไปในฌานที่สำคัญแล้วละ่ะคุณจักรกิก็ได้คำตอบไปแล้วกราบนะมัสการขอบพระคุณท่านพิบู์เป็นอย่างยิ่งนะคะนักการคะ่ะส่วนท่านผู้ฟังท่านอื่นๆ น, นะคะท่านก็สามารถที่จะทดลองฝึกให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็นำความรู้ที่ได้ไปในวันเนี้ยนะคะไปตรวจสอบ ตัวของท่านเองเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นการปฏิบัติของท่านท่านก็ต้องตรวจสอบด้วยตัวเองละคะ่ะส่วนรายการของเราก็จะมาให้ความรู้จากท่านพ่วงโดยการหลักสูตรการกเรียนรู้ของวัดป่าดอนไฮโซกจากดอนทานีเลยนะคะคือท่านพระมาฮาไพโบ์แล้วก็วันพรุ่งนี้ท่านก็ยังจะมาพบ กับพวกเราเช่นเคยดังนั้นวันนี้จะลาท่านฟังที่ครบทุกท่านกันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมฝึกปฏิบัติกันนะคะจะได้ก้าวหน้าไปได้เร็วดิฉันสันสนีนาคพงลาท่านไปแต่เพียงเท่านี้พุทธสวัสดีค่ะ